หลังจากนั้นพระองค์ก็ดำฤิว่าเรานี่ควรจะแสดงธรรมะโปรดใครก่อนเนาะนะใครเนาะพอที่จะบรรลุได้ก็เห็นว่าอาราละดาบทุทธกะดาบทรามบุตรทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสกลุ่มรุมร ม, มานานหมายความว่าข่มด้วยสมาบัตมานานแล้วก็มีความบริสุทธิ์มานานแล้วเป็นผู้ที่สามารถพอจะบรรลุธรรมะได้อย่างเร็วพลัน คือคนที่เกลือกรวไปด้วยมนทินคือความเศร้าหมองทางใจเนี่ยนะอริยศาสตร์ฟังไม่เข้าใจหรอกวันอย่าลืมว่าคนที่พระพุทธเจ้าสอนอริยศาสตร์ ส, สอนทุกสมุทัยนิโรธมักขึ้นต้นด้วยทุกนะเชื่อไหมคนที่มีความทุกฟังไม่ค่อยบรรลุกันคนที่บรรลุโดยมากเป็นคนที่มีความสุขเช่นกลุ่มไหนก็บถามว่าคนระดับล่างกับคนระดับสูงเนี่ย น, นะคนชั้นไหนบรรลุมากที่สุดคนระดับสูงเนี่ยนะ แล้วถามว่าในบรรดามนุษย์กับเทวดามนุษย์กับเทวดาไหนบรรลุกว่ากันเทวดาบรรลุมากกว่าถามว่าในบรรดาเทวดาและพรหมใครบรรลุมากกว่ากันพรหมไม่ใช่คนที่เจ็บปวดมากแล้วบรรลุเร็วไม่ใช่แล้วมัไม่เชื่อเนี่ยตอนไม่สบายมีใครมาพูดธรรมะให้ฟังดูสิ นะสูตรเดียวกันกับตอนที่เคยชอบนี่แหละเนี่ยนะตอนไม่สบายนี่ไม่ได้เรื่องเลยยิ่งทุกข์เท่าไหร่ยิ่งไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่งั้นนะโอยพระพุทธเจ้าลงไปเทศที่นรกแล้วสัตว์นรกบรรลุทีละห้าล้านเนี่ยนะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ละกันเพราะฉะนั้นยิ่งทุกข์มากไม่ใช่ว่าได้ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิาธเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานทัศนะแต่ว่าสุขอั น, นั้นต้องเป็นสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะสุขที่ไม่เศร้าห ม, มอง มันผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสุขกิเลสไม่เกลือนกล u ่วมมานานก็เห็นว่าอุธกะดาบดกับอาลาละดาบดนั่นแหละคู่ควรที่จะบรรลุได้แต่ก็ทํากาละเสียแล้วอาลาละดาบดตายมาแล้วเจ็วันอุทะกะดาบดเพิ่งตายเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้เสื่อมใหญ่แล้วนะพลาดจากการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าเขานั่งฟังได้ฟังนะเขาจะบรรลุได้อย่างเร็วพลันแต่ว่าแนมะ้อดเลย ใช่แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ปรารภถึงภิกษุปัญจวัคคีใส่ไว้ในใจว่าภิกษุปัญจวัคคีมีอุปการะแก่เรามากนะคอยอุปถากมาตั้ง6ปีเนี่ยนะในการทําทุกขกิริยาขณะเดียวกันก็คือผู้ที่จะบรรลุเป็นมนุษย์คนแรกจะต้องเป็นพระัญญาโกลทัญญะด้วยเพราะท่านสร้างบารมีมาเพื่อจะบรรลุทำเป็นผู้แรกเป็นบุคคลแรกเทีว่วรรตันอยูในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เลยใส่ใจว่าเดียวนี้ภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเนอ ก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิสิตปัตนะมฤุกทายวันกรุงพาราณสีเสร็จแล้วพระองค์ก็ดําริว่าเราจะไปณที่นั้นประกาศถ้าทำมจากเสด็จเที่ยวบินธบารประทับอยู่ใกล้โพธิมันทสถานนั้นนั่นแหละสองสมวันในวันอาสาลหะปุรมีพระองค์ก็ดําริว่าจากเสด็จไปยังกรุงพาราณสีปกติแล้วพระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6 พระองค์ไปแสดงธรรมาจากในวันเพ็ญเดือน8นี้พระองค์เนี่ยประทับนั่งอยู่ที่บริเวณต้นโพนี่เท่าไหร่เจ็7เจคูณเท่ากับสีพระองค์ก็ประทับอยู่นะบริเวณแถวต้นโพจนถึงวันอาสาฬหาปุรมีเนี่ยนะวันก็คือวันเพ็ญเดือน8ดเช้าตรู่พระองค์ก็เสด็จดำริจะไปกรุงพารณสีถือบาตรและจีวรเดินทางไป18โยชน์ปกติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบางองค์ก็หายตัวไปบ้างบางองค์ก็เหาะไปบ้าง แต่พระองค์เนี่ยเดินไปถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ดําเนินไปเนี่ยอุปกะชีวกเนี่ยนะอุปกะชีวกจะพลาดละจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เดินไปในระหว่างทางเพื่อไปพบอุปกะชีวกได้พูดจ่าสนทนากันน่ยนะซึ่งอุปกะชีวกก็ชอบและพอใจพระพุทธเจ้ามากแล้วก็อุปกะชีวกก็หลีกไปทางชนบทชื่ออีกแห่งหนึ่งนะก็ไปมีครอบครัวในที่สุดก็ ทะเลาะกับเมียอ น, นี้มาบวชเนี่ยนะตอนหลังก็บรรลุเป็นพผ้า น, านาคามีแล้วก็ไปตรัสรู้เป็นผ้าอรหันต์ที่พรห ม, มโลกเนี่ยนะพระองค์ก็อาศัยความอนุเคราะห์เนี่ยนะอนุเคราะห์เนี่ยนะก็คือระหว่างทางให้พบกันก่อนพบกันก่อนถ้าไม่พบกันก่อนเนี่ยจะพลาดขณะเดียวกันเนี่ยน ะ, ะพริยาของอุปการชีวกตอนหลังก็บวชตามบวชแล้วก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์เนี่ยนะพี่ยาเนี่ยชื่อว่าจาปานางจาปานี่นะจาปา ภิกษุณีเนี่ยก็บรรุเป็นพระอรหันต์ในคาถาของนางจ่าปาภิกษุณีเนี่ยก็คือตอนที่อุปการชีวกจะบวช จ, จริงๆนางจ่าป่าก็ไม่ยอมให้บวชนั่นแหละก็มีการสนทนากันในที่สุดอุปการชีวกก็ทิ้งไปตอนหลังนางก็ทิ้งลูกไว้ให้พ่อเนี่ยเลี้ยงตัวเองก็ไปบวชก็บรรลุตามบรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้ฝ่ายเขาเชื่อกันว่าถ้าสุพัทธปริภาชกนั้นก็คือลูกของอุปกาชีวกนั่นแหละ บางท่านนะว่ากันนะเชื่อกันว่านั่นนะเป็นสุภัพพะปริพาชกฝ่ายพ่อก็ไปบวชแม่ก็ไปบวชตอนหลังตัวเองก็ไปบวชบวชก็แล้วก็ตอนหลังก็เป็นปริพาชกเนี่ย น, นะก็ไปถามพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ปรินิพานนะว่ากั้นแต่ก็เป็นไปได้นั น, นะทีนี้พระองค์ก็เสด็จจากนะระหว่างต้นโพไปถึงเมืองพารณสีก็ใช้เดินตั่งอาเช้า พร้อครบค่าก็ถึงพารณสีพฤฤอดีถึงปลายสิปั ต, ตนะมรุกทายวันฝ่ายภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นพระตถาคตเสด็จมาแต่ไกลก็ทำการนัดหมายกันว่าผู้มีอายุท่านพระสมณโคดมผู้นี้เนี่ยนะท่านเวียนมา เพื่อเป็นคนมักมากด้วยปจยัจจัยมีกายบริบูรณ์มีอินทรีย์เอิบอิ่มดูสิเขาพระอาหารหันต์ที่ไหนจะอ้วนแบบอะไรนะจะงดงามขนาดนี้ถิวพันธ์มีสีเหมือนทองเนี่ยนี่แสดงว่าฉันมากนอนมากอยู่มากพักมากไม่ทําความเพียรอะไรแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับหลอกวังกันไม่ต้องกราบไม่ต้องกว้วยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าท่านตระกูลสูงนะปูที่นั่งไว้ให้หน่อยก็แล้วกันแต่ท่านตระกูลสูงเดี๋ยวก็จะเสียธรรมเนียมก็วังกัน พระพุทธเจ้าก็ทราบวาระจิตของพิสุปัญจวักคีเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ย่อเมตตาจิตที่สามารถแผ่ไปโดยไม่เจาะจงในสรรพสัตว์กลายเป็นมาแผ่เมตตาโดยเจาะจงคือใจของเขานี่แข็งมากเลยนะใจของพิสุปัญจวักคีไม่เอาเลยเนี่ยนะมานะมากโดยเฉพาะกลุ่มนักบวชเนี่ยนะเขาบอกว่าระหว่างโยมกับพระเนี่ยโอ้ยใครจะมีมานะเท่ากับพระไม่มีแล้วเนี่ยนะยนะิ่งแบบคือคือพระพิสุเนี่ยมานะแรงมากจริงเลย อย่าไปคิดว่าท่านอุ้ยอ่อนมากอะไรเนี่ยไม่อนนัโอ้ยสุดๆเลยแหละพวกกลุ่มนักบวชพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยอุ้ยใครจะกิเลสรุนแรงเท่านั้นหายากถ้าได้ดีก็ดีเลยถ้าตกต่าก็ตกเลยอย่างนั้นเถอะอันนี้โดยปกติเนี่ยนะโดยมากเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องแบบมันช่วยทําให้ลําพองได้เยอะเหมือนกันนะพระเอาทงของพผ้ารหันมาห่มอย่างพอดีไม่ใช่ผ้ารหันห่มก็เลยที่ไหนได้นี่เพรา ะ, ะพระองค์ก็ คือยังไงเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วจิตใจนี่แข็งกระด้างมากๆเลยด้วยอํานาจมานะขณะไม่ใช่มานะธรรมนานะระดับอติมานะดูถูกดูมิน่นเหยียดยามพระพุทธเจ้ายามว่าโอ้โหนี่ถ้าเนี่ยมาฉันอย่างนี้มันจะบรรลุมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะพอมาปรึกษากันสภาปัญจวัคคีเนี่ยนะก็ทั้งพักเลยนะพักมีห้าคนเนี่ยนะวักฆวักฆก็คือพักนั่นแหละภาษาไทยนิยมเอาวรวนเป็นพอผานวักฆก็คือพักปัญจวัค ก, ก็คือพวกพักห้า นะพักนี้มีอยู่ห้าคนเท่านั้นนะหรือสี่พักหนะ้าทั้งกานมานั่งคุยกันว่าโอ้ยไม่เอาแล้วนะปูแทบที่นั่งให้ก็พอแล้วว่างั้นนั่นตระกูลสูง แ, แล้วก็พระองค์เนี่ยปกติพระองค์ก็เจริญเมตตาสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนนึงความสุขเถิดปกติก็จะเจริญเมตตาให้สรรพสษษัตว์ทั้งหลายทีนี้รวบเมตตาทั้งหมดเนี่ยเพ่งมาหาท่านขอให้ทั้งห้ามีความสุขเลยนะแปลว่าน้อมท่าแผ่เมตตาอย่าลืมว่าเมตตาในขนาดช้างเมามันเนี่ยนะ พระองค์ยังเมตตาให้จางใจของช้างนี่อ่อนโยนได้จะกล่าวไปยายถึงปัญจวัคคีย์ว่า ง, งั้นไม่ได้เมาซะหน่อยจะไปเพียงแต่ว่ามานะมันเข้าสิงแค่นั้นนะพระองค์ก็เจริญโดยเจาะจงเท่านั้นพิสูปปัญจวัคคีเหล่านั้นอันเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสแล้วเมื่อพระตถาคตเสด็จเข้ามาก็ไม่อาจจะตั้งอยู่ในข้อนัดหมายกติกาของตนก็เลยพากันปฏิบัติกิจทุกอย่างมีการกราบการไหว้การลุกครับเป็นต้น เว้นอย่างเดียวยังพูดดูหมิ่นนิดหน่อยว่าอาวุโสโคดมอะไร่นเรียกอาวุโสอย่าพู้มีอายุปกติเนี่ยเป็นแค่ว่าเป็นผู้ใหญ่เรียกผู้ผู้ใหญ่เรียกพระน้องนองพระเด็กๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาวุโสแต่พระเด็กเด็เรียกผู้ใหญ่เรียกว่าพันเต้พันเตเนี่ยหมายว่าผู้ใหญ่เรียกเรียกผู้ใหญ่เรียกคนระดับล่างเรียกว่าคุณคุณเนี่ยนะก็คือคุณก็คืออาวุโสแต่ถ้าระดับล่างเรียกระดับสูงว่าท่านท่านอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ พันเตก็ ค, คือคคใช้ศักด์แบบนี้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงให้ภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นยินยอมว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือบรวรพุทธาอาฏอย่างดียามพบคล่ำที่จัดไว้เมื่อการประกอบด้วยนักศัก์เดือนเครเรียกว่าอุตราศา์อยู่เดือนอุตราศาก็คืออาสารหะวันเพ็เดือนแปดนะ อันพรม18โกดแวดล้อมพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุพระเทระปัญจวัคคีมาแล้วตรัสพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับเรียกว่าหมุ น, น, นพระธรรมจับคืออริยสัจประกาศอริยสัจให้เป็นไปบรรดาภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นท่านพระอัญญาโกณทาญะก็ส่งยาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาจบพระสูตรก็ดํารงอยู่ในโสดาปฏิผลธรรมจักสูตรคือโสดาปฏิมักเห็นอริยสัจพร้อมด้วยพรม18โกด อย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าบัตรนีนะ้ต่างที่พระองค์เล่าในพุทธวง์ให้พระสารีบุตรฟังว่าบัตรนี้เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะยังสกุลศักยะให้เจริญตั้งความเพียรแล้วบรรลุสัมโพธิยาณอนุดมอันเท้ามหาพรหมอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมมาจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่พรหมสิบแปดโกฏนะโดยมีพระอะไรอัญญากูลทัญญะเป็นประธาน หลังจากนั้นหลังจากที่แสดงธรรมครั้งที่หนึ่งแล้วเมื่อจะตรัสเมื่ออภิสมัยที่ยังไม่ตรัสถึงตรัสว่านอกจากนั้นเมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมแห่งเทวดาและมนุษย์อภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์นับจํานวนไม่ถ้วนถามว่านับจํานวนไม่ถ้วนเนี่ยตอนไหนตอนที่ในมหามงคลสมาคมมหามงคลสมาคมที่พระองค์แสดงมงคลสูตรที่เทวดาและมนุษย์เนี่ยนะบรรลุเกินที่จะนับได้ ตรัสรู ม, มากเนี่ยนะเนะหลือแต่พวกเราสวดกันมาเทือบทุกวันเยนะก็เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยยังแปลกใจอยู่เนี่ยนะนะบอกก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเลยมงคลบอกมงคลดีไหมดีทำตามไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะานีขาก็มีเจ้าของบริษัทหนึ่งเขาก็เลยพิมพ์มงคลแจกลูกน้องแจกบริวารเขาเนี่ยนะมีอยู่400รอกว่าคนเอามงคลเนี่ยพิมพ์แจก โอ้ทุกข้อดีหมดเลยเว้นแต่ข้อดื่มสุราเนี่ยทำตามไม่ได้เขางั้นโอยดื่มสุราข้อเดียวมันก็อัปมงคลทุกข้อล้วมัง้ององั้นนะก็บอกว่าแม้มันมงคลเนี่ยมันดีทุกข้อเลยนะอ่านดูแล้วขอข้อเดียวเหอะก็ั้ขอข้อดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนพาลแล้วดื่มเหล้านี่ยไปดื่มกับบัณฑิตได้ไหมก็ไปดื่มกับคนพาล เมื่อดื่มเหล้าแล้วจะฟังคําของสัตว์ไปบูชาใครแล้วก็บูชานักร้องดอกไม้ปกติเขาไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้องเอาดอกไม้ไปบูชานักร้องสถานที่ที่ดื่มเหล้าก็ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศรอับประมงคนตามมาทุกข้อเขาให้ดื่มเหล้าข้อเดียวแคนะ่นั้นน่ะมันก็เลยอับประมงคนทั่วไปหมดนะมันก็เลยอย่างนี้แหละเขาบอกโอ้แจกปีใหม่นี่แหละเขาแจกงานปีใหม่แล้วพิมพ์มงคลสูตรแจกลูกน้องวนะันนั้นขอข้อเดียวขอดื่มเหล้าก่อน ที่เหลืออัปมงมงคนเนี่ยไร้ผลเหนกันทีนี้ต่อมาอีกที่พระองค์แสดงราหูโลวาทสูตรเนี่ยนะจุลราหูโลวาทสูตรก็ยังสัตว์เกินที่จะนับได้ให้ดื่มอมะตะธรรมคือเขาเหล่านั้นก็ตรัสรู้ตามมากมายดังที่พระองค์ตรัสว่าบัดนี้เราสั่งสอนราหุลลูกของเราในที่นี้นะั่นแหลอภิสมัยครั้งที่สมได้มีแกสัตว์จานวนนับจานวนไม่ได้ ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นมีสาวกสันนิบาตประชุมพระสาวกครั้งเดียวเท่านั้นคือประชุมพระอรหันตสาวก1250รูปเหล่านี้คือเฉดินสามพี่น้องมอีรูปเวลกัส ป, ปะเป็นต้น1000รูปและอักระสาวกพร้อมทั้งบริวารอีกสองยรูปดังที่พระองค์ตรัสว่าเรามีสันนิบาตการประชุมสาวกผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวคือการประชุมภิกษุ หนึ่รูปเส็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นประวัติของพระองค์ว่าเราผู้ไร้มนทินคือความเศร้ามองคือราคะเป็นต้นพระองค์รุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์พระองค์ให้ทุกอย่างอย่างที่สาวกปรารถนาะพระองค์สา ม, มารถให้ได้เหมือนแก้วจินดามณีให้ทุกอย่างที่ชนปรารถนาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดปรารถนาะความสุขที่เป็นโลกิยะปรารถนาะความสุขที่เป็น โลกุตระพระองค์ให้เขาเหล่านั้นได้สมความปรารถนาบอกเอ๊แล้วพวกเราปรารถนาโสดาบันเนี่ยนะบอกเอ๊ทำไมเราไม่ได้สมความปรารถนาทําไมพระพุทธเจ้าไม่ให้คุณปรารถนาชื่อเนี่ยไม่ได้ปรารถนาสภาวะคุณก็เลยได้ชื่อโสดาบันไปนะ่ยนะก็ได้ได้แต่ชื่อหวังว่าเราจะเป็นพระโสดาบันสักวันหนึ่งปรารถนาบรรลุโสดาบันกับปรารถนาเอาสติกเกอร์มาแปะว่าโสดาบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะต้องทําความเข้าใจให้ดีๆนี่ยนะนะ ปราถนาจะแม้บรรลุอริยสัจเห็นอริยสัจจริงๆกับแแบบกับบรรลุบ้างห่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามความเข้าใจว่าพระองค์ให้ได้จริงๆถ้าคุณต้องการจริงแต่โดยมากมันต้องการไม่จริงอนะก็เลยไม่ได้มต้องการจริงๆนะจริงจริงไหนจริงยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะก็เขาอสมมติว่าโอ้ปลาธนาอยากกับรรลุเป็นพทศดาบันทศดาบันคืออะไรไม่รู้เออไม่รู้ตั้งแต่แรกเริ่มจะ รู้ได้ยังไงว่าของจริงมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้จักของปลอมถ้ารู้ไม่รู้จักจริงแล้วจะรู้หรือว่าอะไรคือปลอมอยังไงนะเพราะฉะนั้นก็เลยเจอโสดาบันโดยการอภิเสกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย น, นะนะแค่บอกไปฝึกเข้าไปเข้ากรรมฐานบางแห่งเนี่นโยโหเป็นพระอริยะกันมาเยอะแ ย, ยะเลยเสร็จแล้วก็ทุศินเหมือนเดิม <laughs> นะก็เอ๊มโสดาบันยังไงทุสินเน่ยสินยังรักษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามคิดคิดให้มันดีๆหน่อยนะว่า ถ้าหากว่าเราปรารถนาจริงๆแล้วสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรโสดาปฏิผลหรือโสดาบันโสตะบวกอาปันะเนี่ยนะโสตะเป็นชื่อของกระแสเป็นชื่อของกระแสอาปันะแปลว่าถึงหรือบรรลุเนี่ยนะถึงความเป็นพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึงกระแสคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นต้นแล้วสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยศยสาสสัมมาสังกปะ กุศลวิโตกก็มาไล่ดูแลพอไหมที่มรรคองแปดจะมาประชุมรวมกันทํากิจกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยนะมันเพียงพอไหมเราเข้าใจไหมพร้อมจะบรรลุแบบนั้นไหมแล้วก็ต้องมาเช็คมาสอบสวนมาไครค่โกรนมาพิจารณาถ้าหากว่าเราเข้าใจตามนั้นพระองค์ก็ให้บรรลุได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะบรรลุว่าอย่างไงแล้วอย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้จะว่ากันยังไงก็น่าสงสารอ่ะนะ พระพุทธเจ้าก็น่าสงสารเหมือนกันสร้างบารมีหวังว่าจะช่วยให้สัตว์บรรลุสัตว์ก็ไม่บรรลุเนี่ยนะปงก็น่าสงสารด้วยดตะการชนี้สัตว์ทั้งหลายก็น่าสงสารป่าถนาจะมาพบพระพุทธศาสนาจะได้บรรลุกลับไม่ได้อยากบรรลุอีกก็เลยไปกันอย่างเนี้ยทุกคนก็น่าสงสารหมดเลยนะสงสารน่าสงสารคนละอย่างสองอย่างขอให้พ้นทุกข์นะ ต่อไปบอกว่าบัดนี้เมื่อจะแสดงความปรารถนาที่สาวกปรารถนาพระองค์ก็ตรัสว่าด้วยความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเอนดูเนี่ยหมายถึงกรุณาด้วยความกรุณาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเราจึงประกาศสัจจะสี่แก่ผู้จํานงหวังมรรคผลผู้ใดต้องการโสดาปฏิพันธสกาธาคามีผลอานาคามีผลอรหัตตผลพระองค์ก็แสดงอริยสัจสี่สำหรับผู้ต้องการละความพอใจต้องการตัดเยื่อใยในพบทั้งหมด นะมันพระองค์ก็ประกาศอริยสัตว์มีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยบอกว่าทำรรมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์12 000, 0,000 มเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมของสัตว์เนี่ยไม่มีการนับจํานวนด้วย1คนหรือสองคนเนี่ยนะน้อยมากเลยนะพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุทีละ1ทีละ2หายากมากโดยมากก็บรรลุษที่เยอะ8ป0 0 0ื่พันเนี่ยอ่านทรมบทในใจเจอเยอะเลย 4ป0 0มันบง้าง้0 0บ้างพันบ้างไปต้นเนี่ยนเขาบรรลุทีละเยอะเนี่ยนะศาสนาของเราผู้สักยะมุนีในโลกนี้บริสุทธิ์ดีแล้วแผ่ไปกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้กันมั่นคงเจริญเจริญออกดอกบานแล้วเนี่ยนะในหน้า6องหออหน้า6 8 8เนี่ยนะที่อัตถกธามไม่ได้ยกมาเต็ม บอกว่าศาสนาของพระองค์นี่แพร่หลายแผ่ไปกว้างขวางอย่างยิ่งนะยิ่งโบราณเนี่ยสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยศาสนาพุทธของเราเนี่ยแพ่ผ่ไปกว้างขวางมากแต่ก็อย่างว่านะสิ่งใดก็ตามถ้าใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าหดไม่เป็นเนี่ยนะในที่สุดก็พระพุทธศาสนาเดียวก็อันตรธานไปจากโลกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสมัยพุทธกาลสมัยหลังพุทธกาลออกมาเนี่ยนะพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆแผ่กระจายไปแต่ก็อย่างว่าในที่สุดแล้ว สังขารก็ไม่เที่ยงนะนะพันภิษุทั้งหลายพิสุทั้งหมดหลายร้อยผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นย่อมเวทล้อมเราทุกเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นพระพิสุคอยห้อมล้อมติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าปกติแล้วอย่างน้อยประมาณ500รอรูปเดี๋ยวอเดือ บัดนี้เดี๋ยวนี้ภิกษุเหล่านั้นละพบมนุษย์ภิสูจเหล่านั้นถ้ายังเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์วินยูชนก็จะติเตียนเนี่ยเขาตำหนิจริงๆนะถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยิ่งสมัยพุทธกาลด้วยเนี่ยนะแล้วก็ยกตัวอย่างพระอานนท์เนี่ยพระอนนท์เนี่ยนะถึงท่านจะเป็นอัคคระอุปปทาเป็นพระหูสูตรเป็นอะไรเนี่ยตอนที่จะทําสังขยานาเนี่ยพระอรหันต์รูปหนึ่ง ตำหนิท่านค่อนข้างแรงแต่ไม่ได้ว่าด้วยโทสะนะว่าด้วยกรุณาก็บอกว่าเนี่ยมีพระอยู่รูปหนึ่งนะคอยมาโชยกลิ่นอยู่แถวเนี้ยว่างั้นก็คือยังยั ง, ยงแถกกลิ่นที่ไม่ดีออกมาอยู่ว่างั้นก็หมายถึงว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์พระนนสังเวชมากเจริญกรรมฐานไม่หลับไม่นอนเลยนะเทศนอนน้อยมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยจะเข้าทำสังขยาณาแล้วทุกคนมาเตือนเราหมดเลยนะะว่าเรานี่มันปมได้ ย, ยังไงก็ไม่ทราบก็เลยโอ้ภาพเพียนใหญ่จน เรียกว่าแทบจะไม่หลับไม่นอนเลยนะในที่สุดก็ได้เป็นพระอารหรันต์ตอนสมัยพุทธกาลนั้นถ้าบบกถ้ายังไม่เป็นพระอารหันต์เนี่ยนะแล้วจุติเนี่ยเขาตําหนิมากก็ อ, อย่างเช่นในอะไรนะโคปะกะเทพบุตรเนี่ยนะโคปะกะเทพบุตรนี่ก็ตําหนิพระภิกษุ3ารูปที่เรียกว่าออกบวชแล้วก็บรรลุอ่ไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปเกิดในในเทวดาชั้นจาตุมไปเป็นเทวดานักรองเนี่ยนะ เรียกว่าพวกโยมอุปถั์ที่ใส่บาตรไปเป็นพระสกท า, าคามีเนี่ยนะแล้วก็นักร้องเนี่ยไปร้องให้พระสกท า, าคามีผู้โยมอุปถัาฟังนะอ่ะโอถูกตำหนิแรงมากเลยนะองค์หนึ่งสังเวชบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยนะอีกองค์หนึ่งโอ้ยร้องเพลงก็สนุกดีแล้วก็กลับไปร้องตามเดิมเนี่ยนะเป็นเทพบุตรนักร้องต่อไปก็มีพอมาณนี่มีเพื่อนโยงหนึงโอ้ยไปเรียนธรรมะด้วยกันอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันเอาไปมาไปเที่ยวลำอยู่เฉยเลยตอนเนี้ย นะไม่น่าเชื่ออะไรโอ้ปกติถ้าท่านเงียบเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะศึกไปเป็นหมอลำเฉยเลยนรชนผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตคือผู้ยังท่องเที่ยวไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะเนี่ยนะผู้ที่ยินดีในธรรมะทุกเมื่อถ้าหากว่าชมเชยอริยมรรคอันรุ่งเรืองแล้วก็จักตรัสรูร้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดหวังหรือมีความประสงค์ที่จะตรัสรู้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่า ยินดีในธรรมะคืออริยสัจสี่ชมเชยข้อปฏิบัติปฏิบัติตามอริยมรรที่รุ่งเรืองในที่สุดเขาก็ตรัสรู้ได้ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่ากบิลพัทพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธมารดาพระนางมายาพระองค์ครองคารวัตวิสัยอยู่29ปีมีปราศาสตรชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังสุจันทะโกกนุทะและโกนจักมีสนมกำนัน 40,000 นางอครเมเฮศีชื่อว่ายะโสธรามีโอรสพระนามว่าพระราหุลเห็นนิมิตสี่เนี่ยนะ ออกอภิเนศสกรมด้วยยานคือม้ากันดกะบำเพ็ญเพียรรมทุกการกิริยาอยู่6ปีประกาศรธรรมจับณนะปาอิสิปั ต, ตนะแขวงกรุงพารณาณสีเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเป็นส ร, รระคือที่พึ่งของสัตว์โลกคู่อาัคาราสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะมีพุทธอุปถาประจำสำนักชื่อว่าพระอนันทะ มีภิกษุณีอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลว น, นามีอัคราอุปถาชื่อว่าจิตตาและหัตถอลาวกะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราเราบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมณโคนโรพพฤกช์ชื่อว่าต้นอาาาัสัทธะมีรศมีกายวาหนึ่งประจำกายสูงสงิบหกอกเรานี่มีอายุน้อยร้อยปีในบัดนี้ ถึงเมื่อจะดำรงอยู่ประมาณเท่านั้นก็ยังชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะเราตั้งคบเพลิงคือธรรมะเอาไว้ปลุกนรชนผู้เกิดในภายหลังให้ตื่นพระองค์ก็ตั้งคบเพลงคือพระไตรปิฎกเอาไว้แล้วใช่ไหมไม่นานนักตอนที่พระองค์เทศพระองค์บอกว่าไม่นานนักเราและสาวกเราพร้อมทั้งสาวกก็จะปรินิพานในที่นี้แหละเพราะสิ้นอาหารเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อฉะนั้น นะนี่แลก็สังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่านาอย่างั้นนะสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่านาะไม่ได้จีรังย่งยืนนี่นะในที่สุดก็หมดสินส้นศูนย์ไปไม่มีอะไรเหลือเลยนี่นะอย่างที่พระองค์บอกว่าเดช ท, ที่ไม่มีใครเทียบได้เหล่านั้นทั้งยศพะระฤทธิเหล่านี้เราผู้มีเรือนกายอันทรงคุณวิจิตไปด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการมีฉัพันณรลังสีสองสว่างทั้งสิทิศ เหมือนดวงอาทิตย์ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จากอันตรธานสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้คำพูดนี้มาพูดในตอนนี้เนี่ยเห็นจริงเห็นชัดแท้เลยว่ายังเสร็จไทอินเดียด้วนี้มีอะไรบ้างก็ไปมีซากอิฐเนี่ยนะฮะมีซากอิดซากที่เขาตบประดับประดาตกแต่งจะเหลืออะไรนาะเนี่ยนะบ้านเมืองที่เคยมีพระาศาสนาเจริญรุ่งเรืองบัดนี้ก็เหลือแต่ซากอิดซากอาคารต่อไปในที่สุดอย่างปัจจุบันนี้ก็มีแต่อาคารรกร้าง ว่างปล่า ว, วัดต่างๆเนี่ยนะมีโรงปรยิยติธรรมแต่ก็โรงไว้ขังยุงอ่ะนะฮะไว้ให้ยุงพักผ่อนเนี่ยนะสถานที่หลับนอนของพวกยุงเป็นต้นเพราะนั้นก็โรงเรียนปรยิยติธรรมก็ว่าให้ยุงเนี่ยไปเรียนกันเต้ไปหมดเลยให้ขี้ยาไปพักใช้บ้างเป็นครั้งคราวอะไรนะจะดีว่าเขาปราบยาดีก็เลยยาขายมาค่อยได้มีใครไปเสพเมื่อก่อนเขาไปตามโรงเรียนปรยิยติธรรมเนี่ยโอ้ยบางวัดเนี่ยเข้าไปก็เห็นเงยฉลาดเนี่ยนะมีไอ้ที่เขาจุดยาดมยาสูบยาแถวนั้นนะ มันสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าเนาะคำสอนก็จะค่อยๆหมดไปต่อไปคนก็ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยศึกษาแล้วมันก็ศูนย์โยปนาอย่างเลยว่างเปล่าจากสัตบุคคลเนี่ยนะมีแต่ชาติชรามรณะลุ่นๆเป็นไปเลยนะมีแต่จากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งพบหนึ่งสู่ภพหนึ่งมั้นผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียนรู้คําสอนในพุทธวงศ์มาทั้ง28พระองค์เนี่ยนะจบจนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ย มีอะไรให้เราคิดเยอะเนี่ยนะเป็นหลายๆอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชว่าถ้าเราประมาทเนี่ยนะเราก็คือบุคคลที่น่าสงสารเป็นแน่แท้ขนาดผู้ทรงคุณผู้มีคุณยิ่งใหญ่เช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาัดนี้สิ่งทั้งหมดนี้ก็สูญสิ้นอันตรธานไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเอาเรื่องธาตุอันตรธานมาเล่าให้ฟังว่าธาตุของพระพุทธเจ้าในที่สุดก็จะอันตรทานเนี่ยนะแม้แต่พระธาตุก็ไม่เหลือ บทว่าริตาสังขารทั้งหลายชื่อว่าว่างเปล่าแน่แท้เพราะไม่มีสาระคือความเที่ยงความยั่งยืนอยู่เลยอ น, นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดที่จะเที่ยงที่จะยั่งยืนทั้งหมดนั้น ล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสังขารเหล่านี้ล้วนแต่เคยมีแล้วก็ไม่มีนะอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์ที่เคยมีแล้วก็ไม่มีจึงว่างเปล่าจากความเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะว่าถูกสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เพราะมีความเกิดเป็นต้นบีบคั้นสังขารทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยก็ไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจอยู่แท้จริงในสังขารทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลงสู่ไตรลักษณ์คือพิจารณาตามค่าที่เป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงเนี่ยนะ ก็พิจารณาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพิจารณาสังขารทั้งหลายเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นพวกท่านจงบรรลุนิพพานที่ไม่ตายอามะตอะังอสังขตังเป็นธรรมที่ดับปัจจัยปรุงแต่ง พระนิพพานอาจุติไม่ตายถ้าเธอปฏิบัติเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อมไปเพื่อเจริญอริยมรรตสรู้อริยสัจบรรลุปเป็นพระอริยเจ้าเอตังพุทานาซาสนังนี้เป็นอนุศาสนีเป็นคำสั่งสอนของเราสำหรับท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ถามว่าจบพุทธวงศ์เนี่ยนะมีผู้บรรลุเท่าไหร่ที่พระพุทธเจ้าแสดงพุทธวงศ์ทั้งเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะจิตของเทวดาประมาณแสนโกดก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นส่วนเทวดาที่บรรลุโสดาปติมักจนถึงอนาคามีมักหาประมาณไม่ได้เหลือแต่พวกเราเนะไม่แน่นะอนาคตเรียนในแล้วเพราะบุญวาสนามีอุปริสัยในอนาคตแล้วใช่ไหมนันก็ไม่แน่ ไม่แน่วิริเยนะทุกขมัติเจติสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่หมายค่าวคิดว่าตัวเองบรรลุก็นั่งอกุศลวิตตกทนท่าจะยากมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศตรัสพุทวธงทั้งสิ้นกำหนดด้วยกับนามชาติเป็นต้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ยังพระประยุรญาตให้ถวายบางคนประทับนั่งบนบมพุธอาที่จัดเอาไว้แล้ว ประทับนั่งณสมาคมพระประยุรญาตอันสูงสุดด้วยประการชนีพระประยุรญาตทุกพระองค์ก็ประทับนั่งมีจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยนะจากนั้นมหามจากนั้นมหาเมฆ ก, ก็หลังฝนโบกครพัฒตกลงมาขณะนั้นนั้นเองน้ําก็ส่งเสียงร้องไหลไปภายใต้ผู้ต้องการจะเปียกก็เปียกผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียก แม้แต่หยาดน้ําก็ไม่ตกลงไปที่ตัวพระประยุรญาตทั้งหมดเห็นความอัศจรรย์ว่าฝนตกไม่เปียกเนี่ยนะก็เลยประหลาดใจพากันกล่าวว่าโอ้น่าอาัศจรรย์กรกว่าไม่เคยมีว่าไงเถอะน่าประหลาดจริงเนอพระองค์ก็ตรัสว่าฝนบกครพัทที่ตกลงในสมาคมญาตินั้นไม่ใช่มีแต่ในปัจจุบันเท่านั้นในอดีตการฝนเช่นนี้ก็เคยตกมาแล้วอาศัยฝนบกครพัท ต, ตกลงมาพระองค์ก็ตรัสมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยนะก็แสดงว่า พระพุทธเจ้าแสดงจริยาปิดกแสดงพุทธวงศ์และก็แสดงเวสันดรชาดกในสมัยที่เสด็จไปเมืองกบิลพัทเป็นครั้งแรกนั่นเองเพรา ะ, ะนั้นพระธรร ม, มเทศนาได้เกิดประโยชน์แก่ส ร, รภาัสาตร์มีผู้ที่ตรัสรู้ตามที่กล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อความในพุทธวงศ์เยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน